ทุบฝาเหมือนงั้นะที่ขยำข้าวกับขี้โคลนขี้ดินเน่ทุบทุบทุบฝาเสร็จแล้วกับมาละเลงละลาย้วครับมาเป็นเม็ดข้าวแล้วกินกันอีกมงั้ น, กนแกกพวกน้องผลใ่สุดสู้มาไว้ให้ลูกน้องออกกันมีแต่พ่อแม่ลูกสาวลูกชายคนใช้ในบ้านท่านเองต่อมาก่อน วันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายป่ะเนี่หมดโางงานเถอดกระทากหมดโรงงานเถแปลว่าเป็นกรอบสุดท้าย เ, เวลาหุงก็หุงในบ้านป่ะเนี่ยไม่ให้มีกลิ่น ม, มีไอออกมานะานโรงงานเถิะกลัวคนจะมาแย่งกินพอหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก่ะอาหารก็พร้อมแล้วนเนี่ยพร้อมที่จะแบ่งกันกินแบ่งสันปันส่วนกัน ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกวันนั้นพ่อปจัจเกตท่านก็อดเหมือนกันเลยท่านอยู่ในป่ า, าน้นีท่านอยู่ในธรรมจัตตวัคูหาท่านก็ออกจากในรถสมาบัติมาใครเราะจะใส่บาตรให้กินนาวันนี้นท่านก็มองดูเหมือนกันเหมืกันท่านมองดูไปเห็นเนี่เศรษฐีนี่ยกำลังหุงข้าวสุกใหม่ๆนนะ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 อันนี้อยากปรารถนาให้ได้ไถนาอยู่เนยอยากให้ได้ไถนาได้ห้าหกครองอืออยนั้นก็ขอให้เป็นลูกน้องของเศรษฐีตลอดไปอย่างั้นเถอะโอ้สแสดงว่าจงรักภักดีอย่างมากมากอย่างั้นเถอะท่านนี้ก็พอถวายเสร็จพระประเจกก็ให้พรแทนเนี่ยพระประเจกออกจากนิโรธสมาบัติเดชแต่ว่าใครปรารถนาสิ่งไหนก็ได้สมความมุม่งมั่นอันนี้สง ม, มหาศาลเลยอย่างนั้นเถอะ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 แม่แจกพันุข้าวงั้นเถอผมพากันแจกอาหารอทั้งลูกจ้างที่ผู้หวังเดนคนอื่นก็ได้หมดเราจะได้หรือเปล่าก็เลยไปทองตุ๊ดทองไถนาดูเงินพอไถนาก็ได้หกคลองจริงๆริงว่างั้นโอ้ไถนาได้หกคลองว่างั้นอะโอ้อันนี้สงให้ทานกับพระประเจกอันนี้สงสูงส่งจริงจริงว่างั้น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 เกิดพบใดชาติใดจะให้ได้พบในความอดอยากเนยเพราะนั้นพวกเราควรจะทำบุญทาทานเอาไว้เกิดมาพบใดชาติใดคาว่าอดอยาก่าให้ได้มีอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ไดยินเหมงนนต้องการอะไรสิ่งไหนก็ให้สมความบูมมาดปรารถนาถึงจะไม่มากก็ให้มีให้อยู่ได้กินอย่าให้อดท้ายากเนี่ยนะเวลาทาบุญทาทานปรารถนาอย่าให้อดท้ายยากอละพในตอนนี้อนุมูนาให้พร